ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการคุยธรรมะท่านผู้ฟังกับพระอาจารย์พระไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอดอนงาน อย่างเรารับรู้ทางเสียงฟังเสียงเรารับรู้ทางเสียงแล้วมันเข้าที่ <Okay. S 1> เราจะปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรแม้เรารู้ทางๆก็คือว่า เอ่อใครควรเอ่อแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าการที่เราจะบอกว่าเราจะปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเราต้องควรทำอย่างงี้อย่างงี้ในสถานการณ์อย่างงี้แต่พอถึงเวลาเดิมๆแพทเทิร์นเดิมๆที่เราเคยเป็นเนี่ยเค้าต้องคอยระวังตลอดระวังถ้าค่า ในในโลกเนี่ยเราเจอภัสสะเนี่ยต้องระวังกระทบหรือไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นครอบ มันก็จะเป็นไปตามธาตุเป็นธาตุของสิ่งๆจิตของเราไม่ใช่อันนั้นมัน นะแล้วก็เวลาที่ทําจิตสบายๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอ่อเราจะไม่ได้ นะเช่นเดียวกันบางทีมันต้องฝืนแล้วมันลำบากนะอย่างเด็กเค้าฝึกเดินฝึกว่ายน้ําเนี่ย นะมีครั้งหนึ่งพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอ่อเล่า ในไหนพูดถึงเรื่องนี้แล้ว เนี่ยเป็นการรบชนิดที่เรียกว่าเข้าตะลุมน้องของตัวเองทั้งหมดบอกว่าเอาล่ะคราวน้องบอกว่าถ้าเผื่อ นั่นคือไว้ที่ธรรมสภาอ่าส่วนท้าวเวภจิตรถ้าเราชนะน่ะให้จับหัวหน้าคือท้าวสกะนี่ แนวหัวหน้าของฝ่ายอสูรหลักอ่ามาที่พบแผงเทวดา 5 แห่งนะคือรัดๆเนี่ยนะ 5 จุดไป หน้าธรรมสภาณสถานที่อย่างหนึ่งเอ่อในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเค้าเรียกว่าสุธรรมสภา แล้วก็มีผู้ที่ขับราชรถนะก็เป็นเทวดาชื่อมาตลีระหว่าง 유희ชัยไม่พูดอะไร เอ่อเทวดาชื่อมนตรีเนี่ยที่เป็นคนกับราชรถของพระอินทร์เนี่ยเห็นเหตุการณ์ตอบโต้เลยแล้วก็บอกว่า เพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรจะคุยกับทึ่งคนพาลนะคนพาลคุยไปก็เท่าเออเขาจะมา เดี๋ยวเราชื่อมาตลีบอกฝ่ายพระอินพอได้ยินลูกน้องของตัวเองที่เป็นราชรสหรือ พอเทวดาชื่อมาตลีได้ฟังดังนี้นวะโอ้อดทนเหรอทําไมทําไมต้อง <mile> คนที่อดทนคนที่อดทนเนี่ยต่อคนพาลเนี่ย uhm, <Network> อย่างคนที่เป็นคนพาลเนี่ยสําคัญคนที่เค้าเป็นบัณฑิตมีปัญญานะว่าอดทนเนี่ยว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญญาจะๆจริงๆเนี่ยคนที่ชนะคน นะพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านผู้ฟังนะเล่าเรื่องนี้ ฟังรายการธรรมะคุณจะงดงามนะถ้าว่ามันจะปฏิบัติธรรมได้ลึกซึ้งขึ้นมั้ยอดทนเนี่ยท่านฟังเป็นคุณธรรมหนึ่งที่จะสามารถละกิเลสได้นะกิเลส ความเป็นกิเลสเราออกไปมีความสุขเพิ่มขึ้นมั้ยล่ะมันแน่นอนนะอะไรเพราะอดทนนี่เป็นสิ่งดีนี้ทั้งขึ้นทั้งรองด้วยนี้ตัวตัวเรา นะนิ่งอยู่นะอดทนอยู่นะถ้าไม่ประสิทธิ์ก็ไม่ได้การบิดเบือนในการที่จะถูกประิ่นด่าทอนะมันมันเป็นอย่างมีประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายนะการอดทนเนี่ย เพราะฉะนั้นหัวใจปทานี้แหละนะมีแล้วจะขอลาไปก่อน